บทเรียนจากช่างไม้และจิตกรนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งนามว่าเจนช็อกพระองค์ทรงปกครองพระราชวังที่ชื่อว่าสลางก็คนครแห่งนี้มีทั้งจิตกรและช่างไม้ทั้งคู่มีฝีมือดีที่สุดในงานศิลป ะ, ะแขนงของตนซึ่งไม่ได้แค่ในอาณาจักรของตนเท่านั้นแต่รวมไปถึง20อาณาจักรรอบ แต่ทั้งคู่ก็ไม่ยอมจำนวนต่อกันลวกันวันหนึ่งในงานเทศกาลศิลปะพวกเขาทั้งคู่แสดงผลงานของตนเองนี่คือการแกะสลักไม้ของกระหม่อมฟาบาดหากมันทำให้พระองค์ทรงโปรดกระหม่อมขอถวายมันนั่งไปจัดแสดงที่พระราชวังหลวงทำไมจะไม่ได้แล้วนี่น่ะมันช่างวิจิตรมากข้าน่าจะเอามันไปแขวนในห้องสมุดพระราชาไปหาจิตกรผู้ที่ได้เผยภาพเขียนของเขาให้ได้ยิ นี่ขอรับฟาบาดข้าไม่เคยเห็นภาพเขียนที่ไหนสวยดังต้องมนแบบนี้มาก่อนเลยหากมันทำพระองค์ทรงโปรดกระหม่อมขอถวายมันเพื่อไปจัดแสดงที่พระราชวังหลวงแน่นอนแล้วเราจะวางมันที่ไหนดีละ่ะหงอเสวยดีไหมฮะนั่นเป็นความคิดที่เลิดล้ำไปยกาะ งั้นก็ดีงั้นเจ้าจงจัดการงานศิละปะสองชิ้นนั้นให้เรียบร้อยและนำพวกมันไปแขวนในวังแน่นอนขอรับฝ่าบาทเขาไปรับภาพจิตรกรรมฝาผนังของช่างไม้เป็นลำดับแรกก่อนที่เขาจะเข้าไปยังห้องเขาได้ยินช่างไม้พูดกับผู้ช่วยของเขาอะไรกันจิตรกรก็ได้รับโอกาสในการถวายภาพเกียนแดพระราชาด้วยหรือมันมีการเปรียบเทียบไหมระวังงานของฉัน ที่สลักสลาวอย่างสวยงามกับการปัดผูกกันไม่กิ่งีบนพาใบานั่นขนาดเด็กๆยังเอาสีมาวาดมั่วๆให้มันดูเข้าท่าได้แต่ว่ามันต้องอาศัยความอดทนความสามารถทีต่างกันในการสลักไม้ชิ้นแข็งให้ดูบันเจิดเช่นนี้ถ้าฉันทำได้ฉันจะทำให้จิตตรกรนนั่นหายวับไปจากอาณาจักร รัฐมนตรีถึงกับอึง้งเขาไม่ได้พูดอะไรออกมาเขาได้รับงานจิตรกรรมชิ้นนั้นและไปยังห้องของจิตรกรที่นั่นเขาได้ยินจิตรก ร, รพูดกับผู้ช่วยว่าอะไรกันช่างไม้สร้างงานจิตรกรรมงั้นเหรอเอาไว้แขวนผนังเนี่ยนะแถมได้รับโอกาสในการถวายงานศิลป์นี่มันนี่มันไร้สาระเป็นบ้าน่าเบื่อมากเลยงานก็มีอยู่สีเดียวสีน้ำตาลมันใช่ความชำนาญและโดดเด่นทางศิละปะที่ต่างกันนะ ในการปัดผู้กันบทภาพใบและทำให้สีสันในชีวิตดูสวยงามในภาพวาดทหารหน้าไหนก็ขับรถเข้าป่าได้ทั้งนั้นน่ะแหละถ้าฉันทำได้ฉันจะทำให้ช่างไม้นั้นหายวับไปจากอาณาจักรเลยคอยดูสิรัฐมนตรีไม่ได้พูดอะไรออกมาเขาไปรับงานภาพเขียนชิ้นนั้นแต่กลับไปที่พระราชวางังเขาได้กลับทวนพระราชาทุกอย่างที่เขาได้ยินอืม ศิลปินมากความสามารถแต่กลับมีความคิดตอยตามต่อผลการแข่งกันและกันชั้ง น, น้าสงสารไปเรียกสถาปานิกในวังหลวงมาเราจะได้จบเรื่องนี้อย่างไร้ความปฏิปักษ์ที่ไม่มีเหตุผลพระราชาทรงตรัสกับสถาปานิกในวังหลวงจากนั้นทรงเรียกตัวช่างไม้มาที่วังในวันรุ่งขึ้นขอบใจที่มาที่นี่ด้วยความยินดีคอรับฝ่าบาด เมื่อคืนข้าฝันว่ามีวิญญาจากธรรมชาติปรากฏกายพวกมันจะฮุบอาณาจักรของเราพวกมันต้องการอะไรขอรับพวกมันต้องการให้ข้าสร้างหอเกียรติยศเฉิดฉูธรรมชาติและมันจะต้องเสร็จก่อนได้ดูใบไม้พริซึ่งนั่นก็สมเดือนจากวันนี้ข้าเจราจากับสถปปาปนิกแล้วและหอหนะ้าต้องใช้เวลานา น, านในการสร้าง เจ้าเป็นช่างไม้ที่ลือชื่อที่สุดในเมืองข้ายาให้เจ้าแกะสลักเสาไม้และซุมทางเข้าที่จะนำทางไปห อ, อนัน้นและตกแต่งมันซะถ้าเจ้าเริ่มวันนี้เจ้าจะทำงานเสร็จในสามเดือนไหมโอภัะยะขาแน่นอนเป็นเกียรติยางยิ่งขอรับเยี่ยมงั้นก็กลับไปห้องทำงานของเจ้าวันนี้ แล้วก็เริ่มลุยเรื่องเสากับซุ้มทางเข้าได้เลยตามประสงครับฝาบาทต่อมาพระราชาทรงมีพระบัญชาเรียกให้จิตกรเข้าเฝ้าและเล่าให้เขาฟังเรื่องของหอเกตยิยศสาหรับธรรมชาติข้าต้องการให้เจ้า ว, วาดภาพเขียนขึ้นเพื่อแขวนบนกระแพและเพดานของห้องโถงเอกพะยะค่ะแน่นอนจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับฟาบาท ช่างไม้ทำงานอย่างหนักในห้องทำงานเขาและจิตกรเองก็ทำงานหามเรื่องหามข้ามกับกำแพงและเพดานของห้องโถงเช่นเดียวกันเมื่อถึงวันที่กำหนดพระราชาทรงเรียกขุนนางแห่งอนาณนาจักรทั้งหมดเข้าเฝ้าเสาและสุ้มประตูอัน ง, งามของช่างไม้ถูกนำมาไว้ที่ส่วนด้านนอกท้องพระโรงและถูกวางตั้งไว้ให้ทุกคนได้เห็นและชื่นชมเจ้าว่าเสาพวกนี้เป็นยังไงบ้างพวกมันทังล้าเลย ดูสวยงามพร้อมกับเหล่านางฟ้าที่ถูกสลักบนนั้นและดูที่เกินการสลักละเอียดอดของดอกไม้และสัตว์พวกนี้นี่มันช่างเป็นเกียร์อันสวยงามสุธรรมชาติเลยพระยาค่ะเจคิดว่าสาวพวกนั้นจะถูกทําได้ดีกว่านี้อีกไหมอ้ฝ่าบาทพวกบันช่างงดงามอย่างที่เป็นอยู่แล้วงั้นก็ดี ตามค่าไปที่ห้องโถงเอกเมื่อพวกเขาไปถึงคุณนางและเหล่าสุภาพสตรีถูกนำให้เคลือบเคลิมไปกับผลงานชิ้นโบแดงซึ่งตกแต่งกําแพงและเพดานของห้องอยู่เจ้าชอบภาพเขียนพวกนี้ไหมภาพเขียนพวกนี้จะต้องสวยที่สุดในโลกเป็นแน่การลงพวกกันนี่แหละคืองานชิ้นเอกเลยละ่ะลองดูที่ฉากตา่ตางๆของธรรมชาติที่ภาพคอยเล่าเรื่อง ภาพเขียนนี้ได้สร้างหอเกียรติยศเพื่อสันเสริมธรรมชาติโดยแท้จริงเจ้าคิดว่าพวกมันจะถูกว่าได้ดีกว่านี้อีกไหมพวกมันสมบูรณ์แบบในสิ่งที่เป็นแล้วขอรับฮงั้นเดี๋ยวก็ได้รู้กันทีนี้เจ้าคิดว่าอย่างไงคุณพระกุนเจ้า ความสุขราก็ทั้งสองงานสินร่วมกันไม่มีคำพูดใดบรรยายได้เลยพะยะค่ะคงไม่มีอะไรจะงามหยดย้อยไปกว่านี้อีกแล้วล่ะเจ้าทั้งสองคิดยังไงกับงานพวกเจ้าแต่ละคนละ่ะกระหมอมเข้าใจในสิ่งที่ฟ้าบาดทรงหมายความพะยะค่ะกระหมอมผิดไปแล้วที่คิดว่าการแกะสลักไม้เป็นงานต่ำต้อยกว่าพะย่ะค่ะ ฉันเอก็ผิดเหมือนกันที่คิดว่าภาพเขียนนั้นไม่ได้ต้องการทักษะใดฉันเข้าใจแล้วว่าภาพเขียนที่สวยงามของนายเติมเต็มการมีอยู่ของเสาและซุ้มประตูของฉันเสาและซุ้มประตูของนายก็ทําให้ภาพเขียนฉันดูสวยขึ้นจริงๆภาพเขียนของฉันเนี่ยมันดูยอดเยี่ยมกว่าเดิมเมื่อถูกตกแต่งโดยงานขั้นเทพของนายขอบคุณมาก นายเป็นศิลปินชันยอด น, นายก็ด้วยเช่นกันข้าว่ามันคงไม่ดีนะกับการที่พวกเจ้าเป็นยอดศิลปินทั้งคู่แต่กลับจะมาเป็นศัตรูต่อกันเจ้าไม่เห็นด้วยว่างานศิลป์เจ้าทั้งคู่เมื่อรวมกันแล้วมันสร้าง ม, มนต์เสน่ห์ขนาดไหนมันยิ่งดีกว่าความงามของงานเดียเด่ยวๆซะอีกนะฟาบาตระหม่อมทั้งสองกรับประธานอภัยช่างน่าอับอายกับความใจแคบที่ได้กระทำ อาบากระหม่อมทั้งสองกระะับปรทานอาภัยกระหม่อมทั้งสองเห็นแก่ตัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาศิลปินและช่างไม้ก็ได้ชื่นชมผลงานของกันและกันรวมถึงการให้ความเคารพและกลายเป็นเพื่อนที่แสนดีก็เช่นเดียวกับพวกเขาแทนที่จะตัดสินและลดคุณค่านในตัวของพวกเขาหากเรายินดีในตัวตนของกันและกันและนำความดีนั้นมาร่วมมือกันเราก็จะยิ่งมีความสุขก่าเดิมและโลกของเราก็จะสวยงาม กว่าที่เป็นอยู่